ตรงนี้ว่หน้าไม่อยู่เลยไปทุระพระหุกิจจารพระหุกิจจานี่ก็คือมาจากคำในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเวลากลุ่มคารวะไปฟังธรรมจากพระผู้มีประภาคหรือฟังธรรมจากภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็นะพอฟังในระยะหนึ่งนะสั้นหรือยาวก็ตามสมควรแก่การไป การฟังหรือเนื้อหาบทตั้งที่ที่ขึ้นแสดงครั้งนั้นพอแสดงจบก็คารวะาก็บอกขันทธานี้มายังพันเตอปุชามะมายังพหุกรณียาว่ากั้นพหุกิจจาพหุกรณียามั่งกันบอกว่าท่านผู้เจริญได้เวลาแล้วกับผมเนี่เป็นคารวะามีกิจมากมีกรณียะมากนั้นก็ขอลาไปก่อนมันก็คารวะาก็เลยเรียกว่าพหุกิจจาว่ากันกิจก็คือหน้าที่นะพหุก็คือมันมากอ่ะ มีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาแล้วก็การงานที่ทำมันก็เกื้อกูลต่อการครองเรือนนะเกื้อกูลต่อบ้านต่อเรือนเขาจเลยเรียกว่าคารวาสคฤหัสนั่นเองครวาสก็มาจากคฤหัสนะคฤหัสน็เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องช่องนะทำงานเพื่อบ้านช่องห้องหอแต่ถ้าบารรพชิตเขาเรียกอนาคาริกนะไม่ได้ทำอะไรเพื่อบ้านช่องห้องหอสักอยาก่างันก็ ภารกิจในการข้างนอกก็ไม่ค่อยมีมากนักก็จะเหลือกิจที่จะศึกษาและปฏิบัติตามถ้าทำคำสอนแต่อย่าลืมว่าการศึกษาของเรานั้นเอาบรรพชิตในสมัยพุทธการเป็นเป็นหลักนะที่ตามข้อความที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและอัตถาต่างๆว่าสมณเพศในสมัยนั้นท่านทำกันอย่างไร แล้วก็ค า, ารวดในสมัยนั้นเข้าไปศึกษาพระธรรมอย่างไรแล้วของเรานี้ประยุกต์เอามาใช้ได้มากน้อยเท่าไรเพราะว่าเราศึกษาในลักษณะนี้ก็คือทำให้เรามองเห็นพระธณะไตรได้ชัดเจนขึ้นจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้พระองค์ทมกิจอะไรพระพุทธเจ้านั้นในความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นี้พระองค์แสดงอะไรแล้วพระธรรมที่แสดงนี่คืออย่างไร พระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระธรรมเหล่านั้นท่านปฏิบัติอย่างไรเอาท่านเหล่านั้นเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องชี้แนะในลักษณะนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงถึงพระตรรมตรายนะมีพระตรรมตรตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเสร็จแล้วในถ่อยคำเหล่านั้นของท่านที่ท่านแสดงมานั้นเป็นพระธรรมเกี่ยวกับหมวดใดเราเอาไปประยุกใช้ เอาไปปฏิบัติได้อย่างไรแล้วก็หารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนั้นให้เพียงพอเราจะได้ปฏิบัติตามถูกนะซึ่งในยุคนี้นับว่าคนมีบุญมากนะปไตยปิฎกก็มีกว้างขวางแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้แปลมาสมัยนี้ก็แปลมาเยอะแล้วมีตั้งหลายฉบับด้วยกันนะถ้าหากว่าฉบับนี้อ่านไม่เข้าใจนะักก็เปลี่ยนฉบับใหม่ก็ได้นะมีลายๆฉบับห้องสมุดก็มีลายแห่ง มีพระไตรปิดกให้หยิบยืมก็ได้ถ้าหากว่าเราไม่ซื้อไม่หามาอันเราก็พร้อมที่จะศึกษาศึกษาชีวิตของสมัยนั้นได้ถ้าเป็นสมัยก่อนหน้านี้สักร้อปีเนี่ยนะหรือสัก4ี่ปีเราก็จะหาตำรานี่อ่านยากพระเถระเล่าให้ฟังว่าผมบวชมาใหม่ๆผมไม่รู้จะไปอ่านหนังสือที่ไหนท่านว่ า, ถ, าถ้าหากว่าบวชมาเมื่อ40ปีที่แล้วอย่างนี้นะ หลังถอยนั้นไปเนี่ยหาตําราอ่านไม่ได้ก่อนพศ .500 เนี่ยนะหาตําราพระไตรปิฎกอ่านไม่ไดนะ้จะอ่านได้ก็คือพวกมหาป ร, ริญญาทั้งหลายแต่อย่าลืมว่าพระเถระที่เป็นมหาป ร, รีญญาก็เป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อท่านเหล่านั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะต้องแนะนําสั่งสอนทำทั้งสอนประชาชนด้วยสอนท่านเนนด้วยเวลาที่จะอ่านจากคนา้นคว้าจริงๆก็หายาก อ, อีกนะก็จะหายากภารกิจของท่านตัน้งแต่ชา้าจนนอนนั่นแหละ มีงานมากทั้งนิมนต์ทั้งไม่นิมนต์ทั้งงานสอนงานอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นในยุคนี้นับว่าเป็นยุคที่มีความสมบูรณ์ค่อนข้างมากถ้าหากว่าเราทั้งหลายมีความขวนขวายอย่างเพียงพอนะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามองเป็นขุมทรัพย์เมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะศึกษาได้อยา่างสนุกสนานและเพลิดเพลินด้วยคําว่าสนุกในที่นี้ก็คือศึกษาด้วยความบันเทิงคําว่าบันเทิงก็คือศึกษาด้วยจิตที่เป็น มหากุศลที่เป็นตายกับโสมนัตนะไม่ใช่ศึกษาด้วยโทสะถ้าโทสนะนั้นไม่เรียกว่าศึกษาหรอกศึกษามาจากคําไหนนะสิกขานะโทสะไม่ถ้าโทสะเกิดขึ้นนี่ขณะนั้นไม่ได้สิกขาหรอกแต่ขณะกําลังทําลายสิกขาด้วยนะถ้าเครียดถ้าเรียนด้วยโทสะเพราะฉะนั้นคําว่าสิกขาหรือศึกษานั้นอันเดียวกัน สิขานั้นเป็นชื่อของอธิศีลอธิจิตและอาธิปัญญาอย่างที่เรามาเรียนกันอย่างนี้นะถ้าเรียนนี้มาจากคําว่าสุดตะนะมาจากสุดตะแต่ถ้าศึกษานี่หมายคําว่าเจริญแบบนั้นจริงๆศึกษากับปฏิบัตินี่อันเดียวกันเลยนะภาคปฏิบัติกับศึกษานี่อันเดียวกันเช่นฟังเรื่องศีลกับรักษาศีลเนี่ยนะขณะที่รักษาศีลพิจารณาเรื่องศีนทําความเข้าใจในเรื่องศีลปฏิบัติไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าศึกษา สิกขาเป็นศีลแสิกขาแต่ถ้าหากว่าฟังเรื่องศีลเนี่ยโอ้โหศีลเนี่ยคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมอีอาการปรากฏอย่างไรมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลศีลมีกี่อย่างมีกี่ประเภทศีลมีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองศีลมีอ น, นิสง์อย่างไรึฟังเรื่องนี้เรียกว่าสุดตะทําความเข้าใจให้เพียงพอถ้าเอาไปปฏิบัติเจริญตามนั้นอันนี้เรียกว่าสิกขาเป็นสิกขา เพราะฉะนั้นกัลยาณปุตุชนนี้ก็ยังเป็นผู้ที่ทําการศึกษาแต่ว่าผู้ที่ศึกษาจริงๆนั้นเรียกว่าพระอริยาสาวกนะพระโสดาบันจนถึงพระอรหัน ต, ตมรรคนี้เรียกว่าพระเสขาเสขาก็คือพระผู้มีการศึกษาแต่ยังไม่จบถ้าพระอรหันต์นี้เขาเรียกว่าพระอาศขะท่านศึกษาในสิกขาสามนี้จบแล้ว ท, ท่านจบหมดแล้วทั้งอธิศีนอธิ จ, จิตและ อธิปัญญาถ้าเป็นพระโสดาบันนั้นท่านเป็นผู้ที่สมบูรณ์ในอธิศีลศิกขาท่านศึกษาจนถึงศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเรียกว่าเป็นพระโสดาบันโสดาบันนั้นท่านมีความสมบูรณ์ในเรื่องศีลมากส่วนพระสกะทาคามีนั้นท่านมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิมากกว่าพระโสดาบัน แต่ก็มีปัญญาไม่บริบูรณ์นะอาทิจิตก็ไม่ถึงกับบริบูรณ์แต่ก็มากกว่าพระโสดาบันอาทิปัญญาก็ไม่บริบูรณ์เรียกว่าพระสกธาคามีพระอนาคามีนั้นอาทิศีลท่านสมบูรณ์อาทิจิตท่านบริบูรณ์แต่อาทิปัญญานั้นพอประมาณเรียกว่าพระอนาคามีส่วนพระอรหันต์นั้นอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญานั้นบริบูรณ์นะเรียกว่าพระอรหันต์ นะผู้สมบูรณ์ด้วยศิกขาทั้งสามประการนี้อย่างที่เรากําลังฟังอยู่เนี่ยฟังสุตะสุตะเพื่อให้เข้าใจอะไรเพื่อให้เข้าใจอธิศีละสิกขาและอธิจิตตสิกขาอย่างการฟังอุบายในการระงับความโกรธทั้งหมดเลยนะเพื่ออะไรเพื่อศีลเราจะได้ดีขึ้นนะเพื่อศีลเราจะได้ดีขึ้นถามว่าขณะโทสะเกิดเป็นศีนไหมไม่เป็นนะ ถ้าโทสะเกิดขึ้นนั้นชื่อว่าไม่รักษาถ้าเห็นด้วยโทสะก็เชื่อว่าไม่รักษาตาไม่มีศีลนะนะทางตาขณะนั้นได้ยินด้วยโทสะนะคือชวณะเป็นโทสะในขณะได้ยินก็เชื่อว่าไม่มีศีลในขณะนั้นหายใจเข้าออกด้วยโทสะเนี่ยนะได้กลิ่นขยะเป็นต้นด้วยโทสะเป็นต้นจิตที่เป็นโทสะก็ไม่ใช่ศีลนะ ขณะที่รับประทานอาหารด้วยจิตที่เป็นโทสะอันนั้นก็ไม่ใช่ศีลขณะที่ยุงกัดแล้วคันเจ็บชวนะเป็นโทสะอันนั้นก็ไม่ใช่รักษาศีลอีกหรือนึกคิดด้วยความเครียดด้วยโทสะอันนี้ก็ไม่ใช่ศีลอีกเพราะศีลไม่มีเลยสักข้อเดียวว่าโทสะเป็นเป็นศีลไม่มีเลยสักข้อหนึ่งแต่ว่าอะโทสะนี้เป็นเป็นศีล ศีนมีกี่อย่างนะศีนมีสีอย่างนะศีนสีอย่างหนึ่งอะไรนะทบทวนนะหนึ่งเจตนาศีนะเจตนาศีนตัวศีนนะเจตนาคือศีนเจตนายัางไรจึงเป็นศีนเจตนาของบุคคลผู้งดเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตนะเจตนาอันนี้เรียกว่าเจตนาศีน เ จ, เจตนาอย่างที่สองก็คือเจตนาของบุคคลผู้ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติมีถ้าเป็นพระก็อาจารยวัดอุปชายวัรเป็นต้นถ้าเป็นคารวะก็วัดปฏิบัติในการเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นนะตั้งใจทําอันนั้นเป็นเจตนาศีลนะเจตนามี2 อ, อย่างเจตนาที่ตั้งใจปฏิบัติกับตั้งใจงดเวรนี่เจตนาศีลนี่ศีลข้อที่หนึ่ง ศีนอย่างที่สองคือเจตสิกสินเจตสิกศีลนั้นเป็นชื่อของธรรมะสองกลุ่มกลุ่มแรกหมายถึงอนัพิชาอัพยาปาทะและสัมมาทิฐิอันนี้เรียกว่าเป็นเจตสิกศีนกลุ่มที่หนึ่งนะมีสามตัวมีสามองค์คำนะอโลพะอโทสะและอะโมหะก็เป็นเป็นศีลเป็นเจตสิกศีลส่วน กลุ่มที่2ได้แก่วีรตีศีลนะวีรตีศีลสองค์ธรรมเลยคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นเจตสิกศีลน ะ, ะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั้นเป็นชื่อของวีรตีเจตสิกสาดวงนะสองกลุ่มนะกลุ่มแรกก็คืออนัพิชาอัพยาปาทะและ อ, ะอหรือส ม, มาธิฏฐินี่กลุ่มนึง กลุ่มที่สองก็คือวีรตีสามอันนี้ก็เป็นศีลเรียกว่าเจตสิกศีลศีลข้อที่สามคือสังวรศีลสังวรศีลสังวรมีกี่อย่างสังวรห้านะสังวรห้าหนึ่งศีลและสังวรสองสติสังวร น, นะสาม ยานะสังวร4ขันติสังวรหวิริยะสังวรสังวรทั้งห้านี้เรียกว่าสังวรศีลสังวรศีล น, นะแล้วต่อไปเอกศีลอย่างสุดท้ายก็คืออวีติกมะได้แก่ความไม่ล่วงละเมิดนะความไม่ล่วงละเมิดก็คือกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วไม่ละเมิดทาง กายทางวาจานั่นเองเรียกว่าอาวีติกมะมศีลอ่าเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลอันนี้นะผู้ที่ต้องการหารายละเอียดเพิ่มเติมโดยพิสดารก็ดูได้ในศีลนิเทศวิสุทธิมัชยอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือในปฏิสัมพิธามัชศีลและไมยะยานถ้าต้องการพิสดารก็ดูในวินัยปิฎกเต็มเต็มอัตราเลยก็คือในวินัยปิฎกนะ อันนี้เป็นเรื่องของศีลศีลเหล่านี้เนี่ยที่เรากาลังกล่าวเมื่อกี้ว่าถ้าตาเห็นแล้วโทสะเกิดไม่ใช่ศีลก็คือไม่ใช่ศีลประเภทสังวรศีล น, นะไม่ใช่สังวรศีลเพราะสังวรศีล น, นั้นเป็นชื่อของสติที่สังวรทางตาเห็นแล้วใจไม่เป็นโลภโทสะและโมหะหูได้ยินเสียงไม่เป็นโลภโทสะและโมหะ หายใจเข้าได้รับกลิ่นเนี่ยนะก็ไม่เป็นโลภะโทสะและโมห oh ะ ล, ลิ้นรับรู้รสก็ไม่เป็นโลภะโทสะและโมห oh นะกายรับกระทบนเนี่ยนะตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเลยที่ได้รับความรู้สึกทางกายชวนะหรือความคิดที่สืบเนื่องจากการรับกระทบนั้นอะ่ะไม่เป็นไปกับโลภะโทสะโมห oh ะหรือคิดเรื่องอะไรก็ตามไม่ได้คิดด้วยโลภะโทสะโมห oh ะความคิดลักษณะนั้นเป็น เป็นศีลถ้าโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเชื่อว่าไม่มีสติสังวร น, นะไม่เป็นสติสังวรถ้าสติสังวรไม่เกิดปาติโมกขณะนั้นก็ไม่มีนะศีลไม่มีแต่ไม่ได้ขาดศีลเออศีลห้าไม่ขาดจริงแต่ว่ากุศลศีลขณะนั้นไม่เกิดอย่างสมมติถ้ า, ามากโกรธอย่างงี้ใช่ไหมขณะที่กโกรธเนี่ยศีลไม่เหลือสักข้อเลยนะ แต่ไม่ได้ขาดแต่ศีลยังไม่ขาดแต่ศีลไม่มีเพราะเพราะถ้าจะขาดก็ต้องครบองนั้นนั้นจึงจะขาดเช่นโกรธ ถ, ถึงกระดาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะถึงศีลอันนั้นจึงจะขาดแต่ขณะที่เครียดด้วยอำนาจโทสะขณะนั้นกุศลศีลไม่เกิดจะกล่าวว่าศีลไม่มีก็ได้นะแต่ก็ไม่ได้ขาดศีลไม่ได้ล่วงละเมิดศีลแต่ถ้าศีลขาดเนี่ยถือว่ามีโทษแล้วนะ น, นี่ในลักษณะของศีลประเภทปาติโมกแต่ขณะที่โกรธเป็นต้นเนี่ยนะอินทรีสังวศรศีลไม่เกิดเลยในทุกทวารเมื่อรับอารมณ์ทั้งหนั้นศีลก็ไม่เกิดเมื่อศีลไม่เกิดเหล่านี้แล้วสมาธิก็ไม่ได้เลยนะกุะศลศีล ย, ยังไม่เกิดสมาธิก็อดแล้วทีนี้การศึกษาเรื่องเมตตาเมตตาในชั้นแรกที่เราฟังกันอยู่นี้ฟังเพื่อที่จะชาระเรื่อง ศีลชำระเรื่องศีลก่อนถ้าจิตยังเป็นไปกับโทสะนะขณะนั้นไม่ใช่ศีลเมื่อศีลไม่ได้อธิจิตก็ไม่ได้อยู่แล้วทีนี้เมื่อชำระจิตหาอุบายนึกถึงพระธรรมคำสอนในหมวดต่างๆมากล่อมกลาจิตใจให้จิตใจของเราเนี่ยนะไม่เป็นไปกับโทสะให้อโทสะเนี่ยเกิดขึ้นอาโทสะก็คือเมตตาเมื่อเมตตาเกิดขึ้นแล้วพอกพูนเมตตาอันนี้บ่อย ทำเมตตาอันนี้ให้สืบเนื่องนะยาวทําให้เมตตาเนี่ยสา ม, มารถที่จะเกิดได้เป็นหลา ย, ลายสิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงหรือเป็นหลายๆชั่วโมงอันนี้เขาเรียกว่าเจริญเมตตาและเป็นสมถกรรมฐานนะการที่กุศลจิตสืบเนื่องไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรียกว่าสมถะเพราะสมถะคือกุศลจิตเกิดสืบๆกันไปแต่ถ้าศีลเนี่ยก็คือกุศลจิตที่มันเกิดสลับอารมณ์ก็ได้พิจารณาถึงเหตุถึงผลถึง ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของของโทสะเนี่ยนะว่าโทสะเกิดขึ้นเสียหายอย่างไรถ้าไม่โกรธแล้วดีอย่างไรในการกล่อมเกลาจิตใจลักษณะนี้เป็นอินทรีสังวรนะเป็นอินทรีสังวรศีลอยังอยู่ในประเภทประเภทศีนอยู่เลยนะพอแยกออกนะตรงนี้นะถา้ากุศลศีลอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ดีแล้วแล้วพอคูณกุศลอันนี้ให้กุศลเนี่ยสืบเนื่องไปเรื่อยอันนี้เป็น สมถะนะแต่ทีนี้ถ้ากุศลไม่เกิดสืบเนื่องอจะทํำยังไงกุศลไม่สืบเนื่องก็หาอุบายนี่ไงกุศลและศีเนี่ยนะเกิดขึ้นก็ต้องหาอุบายที่จะระงับความความโกรธไม่ให้โทสะเกิดขึ้นนะอย่างที่เราฟังอยู่ทุกวันนี้ก็คือเน้นที่อุบายที่ที่ทำอย่างไรจะไม่ให้โทสะเกิดโทษะนี้เป็นสังขารนะ สังขารธรรมด้วยเป็นสังขารขันด้วยเป็นธรรมะที่เกิดจากปัจจัยที่เราโกรธนั้นเพราะปัจจัยมันมีมากนะมันได้ปัจจัยอ่ะหนึ่งอุปนิสัยโทสะก็ส ะ, สะสมมาค่อนข้างมากสองปฏิฆานิมิตรอารมณ์แต่ละอย่างที่มาเกี่ยวข้องก็ไม่น่าไม่น่าปรารถนาจิตเลยอาโยนิโซเลยไม่ฉลาดคิดเลยจิตก็เลยเป็นโทสะไป การฟังตั้งแต่การฟังเนี่ยนะเริ่มสะสมอุปนิสัยอีกอุปนิสัยหนึ่งเป็นอุปนิสัยใหม่อุปนิสัยใหม่ที่สะสมนี้ก็คืออุปนิสัยเพื่อความไม่โกรธนะทีนี้ทำอย่างไรที่ไออุปนิสัยเพื่อความไม่โกรธจะเกิดขึ้นอยู่ๆแล้วมันไม่โกรธเลยได้ไหมไม่ได้ก็ต้องอาศัยการฟังก่อน นะฟังให้มีความรู้เกิดความเข้าใจให้เพียงพอก่อนอเมื่อความเข้าใจนี้เกิดขึ้นต่อไปเราก็จะเริ่มฉลาดคิดความฉลาดคิดนั่นแหละเรียกว่าโยนิโสมนัสิการก็จะมีโยนิโสมนัสิการเมื่อเจออารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธก็ไม่โกรธนึกถึงคนที่เราเคยโกรธที่แรกๆเราจะโกรธแต่ตอนหลังเราจะไม่นึกโกรธกับเขา แต่จะเริ่มศึกษาเหตุผลว่าทำไมเราจึงโกรธนะแต่ถ้ามันยังโกรธอยู่ทำไงอ่นะนมีวิธีตั้งหลายอย่างใช่ไมข้อแรกหมวดที่หนึ่งว่าด้วยให้นึกถึงพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงถึงโทษของโทสะโหเสเลวร้ายมากอยางั้น دة. สรุปสรปนะสรุปแล้วโทสะไม่ดีโดยประการทั้งปวงบาปเป็นอกุศลมีโทษ วิธีที่สองแม่ในคนที่เราโกรธมันต้องมีดีบ้างอะนะใช่ไหมไม่มีใครเลวบริสุทธิ์ประมาณนั้นนะก็คงมีส่วนดีบ้างอยู่ในตัวนะไม่ดีกายก็ดีวาจาไม่ดีวาจาก็ดีใจอย่างน้อยๆที่สุดเขาอยู่ครอบครัวก็เลี้ยงดูครอบครัวดีนั่นแหละแต่ถ้าเลี้ยงไม่ดีถ้าบาป บ, บริสุทธิ์ทําไงเจริญกรุณาได้เลยโหชีวิตเขาก็มีแต่ลมหายใจเขา้าออกนั่นแหละตายไปก็ไปยัดเยียดอยู่ในอบายทุกขติวินญบาณนะรกเขาก็คือสัตว์อ สัตว์ที่อยู่ในอบายเดินได้นะวันนี้เขามีความสุขถ้าหากว่าเราเห็นนักโทษประหารชีวิตเนี่ยนะเขามีคนเอาอาหารอย่างดีมาเลี้ยงเนี่ยนะแต่ว่ามองเห็นเลยว่าเขาจะถูกตัดหัวอย่างเงี้ยถามว่าเราดีใจกับเขาไหมเราก็ไม่ดีใจกับเขาใช่ไหมคนที่เขามีความชั่วที่บริสุทธิ์บาป บ, บริสุทธิ์ก็ลักษณะนั้นแหละเราไม่ต้องแช่งเขาก็ตกนรกเพราะฉะนั้นสงสารเขาได้เลย แต่ถ้าเราไปแย่งเขาความไม่ดีอันนั้นเราไปแย่งเข้ามาอีกนะเราก็อาจจะไปเป็นพวกพวกกันอยู่ทั้งโน้นอีกทีนี้วิธีที่สองก็คือนึกหาความดีของคนที่เราไม่ชอบอันนั้นวิธีที่สามที่สามทำไงนะหาอุบายอุาอบายสิอย่างในการระงับความโกรธแปลว่าสอนตัวเองบ้างสอนตัวเองอว่าสอนว่า โกรธนี้เป็นศีลไหมโกรธนี้เป็นสมาธิไหมดีไหมบวชมาโกรธใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ยนะก็หาเกิดมาหาความโกรธใช่ไหมหรือเกิดมาหาความสุขเกิดมาหาทุกข์หรือเกิดมาหาสุขกันแน่เออถ้ามานั่งทุกข์อย่างเงี้ยเอ๊เกิดมาทําอะไรเนี่ยนะก็คือหาคําถามลักษณะนี้เข้ามาถามเพื่อที่จะเป็นอุบายนะเป็นอันนี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อไม่ให้ไม่ให้โทสะเกิดเสร็จแล้ววิธีที่สี่ว่าด้วยการพิจารณาเรื่อง เรื่องกรรมใช่ไหมเมื่อคืนที่กล่าวไปว่าเออถ้าโกรธบ่อยๆเนี่ยนะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมเนี่ยนะโกรธนี้เป็นบารมีสักข้อทําให้เป็นพระพุทธเจ้าไหมโกรธมากๆแล้วจะบรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไหมโกรธมากๆจะบรรลุเป็นพระโอ้หัวใบสติปัญญาเฉลียวฉลาดเหมือนพระปสารีบุตรไหมสแสดงฤทธิ์ทำสมาธิเก่งเหมือนพระมหาโมคคลานะไหมออถือธูดงเหมือนพระมหากาัะสปะทรงจําพระไตรปิฎกได้มากๆเหมือนพระ อ, อนนไหม ไม่ได้สักอย่างเลยใช่ไหมทาให้บรรลุเป็นผ้าอาหารได้ไหมโกรธเนี่ยไม่ได้สักอย่างโกรธทําให้เป็นเท้ามหาพรหมได้ไหมไม่ได้โกรธเนี่ยทาให้เป็นเท้าสักกะได้ไหมนะหรือว่าเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งได้ไหมไม่ได้ถ้าโกรธแล้วเป็นปัจจัยให้เป็นมหากษัตริย์ได้ไหมนะไอ้บุญที่เกิดจากความโกรธเนี่ยนะสมมุติถ้าโกรธมีผลใช่ไหมมันจะเป็นบุญพอให้เกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์ไหมไม่มีสักอย่างเลย สรุปแล้วถ้าหากว่าอยู่ในโลกนี้ก็ถ้าพูดถึงพระก็โกรธบางอย่างก็เป็นปัจจัยให้ถึงกับสขาลาเพศแล้วก็คือเรียกว่าสำเนวนว่าคนกินเดนไปนะจากมหากษัตริย์ลดตําแหน่งมาเป็นข้ากยาจกยังไงการสขาลาเพศในธรรมวินัยนี้มีความหมายว่าเหมือนกับคนคนตายนะการที่สขาลาเพศเวียนมาเพื่อหินเพศเนี่ยนะ เทต่ำเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับความตายในอารยะวินัยนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขนาดเพศยังรักษาไม่ได้แล้วฮะสวรรค์ น, นี่แม่งก็่าจะรักษายากเหมือนกันนะที่จะไปสู่สุขติเป็นต้นก็ค่อนข้างยากถามว่าเหตุทั้งหมดเหล่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากโทสะนะเอาเรื่องกรรมมาคิดมากๆเอากำสิบสองมาคิดก็ได้นะเอากรร ม, มาบทมาจับก็ได้เลยถ้าเราทําถ้าโกรธอย่างนี้เป็นปัจจัยให้ ปฏิบัติได้ไหมอธินาทานไหมกาเมสุมิชฌาจารมุสาวาทุสวาจาสัมผัสปลาปะปิสุนาวาจาอภิชาพยาบาทมิชฌาทิฏฐิเป็นไปได้ไหมเป็นได้ทั้งหมดเป็นได้แล้วเอกกรรมเหล่านี้ทำให้ไปเกิดที่ไหนได้บ้างนะปรารบแบบนี้บ่อยๆเขาเรียกว่าเจริญกรรมมสกตาพิจารณาว่าเรานี่มาด้วยกรรมของเรานะอันนี้ก็สอนใจเพื่อไม่ให้โกรธในที่ที่สี่แต่ก็ในที่สี่ยังไม่จบเลยนะ เมื่อคือนเวลาจบแล้วก่อนเสร็จแล้วมาดูในหน้า13กล่าวถึงพิจารณาว่าคนที่เราโกรธเนี่ยนะเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเหมือนกันนะอ่ะกล่าวว่าครั้นพิจารณาภาวะที่ตัวเองเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนอย่างนี้แล้วควรพิจารณาถึงภาวะที่แม้ผู้อื่นก็มีกรรมเป็นของตนนะ คนที่เราโกรธคนที่เราไม่ชอบเนี่ยนะเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเหมือนกันนั่นแหละนะก็พิจารณาอย่างนี้ว่าแม้ผู้นี้โกรธเจ้าแล้วจะทำอะไรได้ใช่หถ้าเขาโกรธเราเนี่ยนะเขาจะทำอะไรเราได้บ้างใช่หแล้วก็มามาคิดถึงสิ่งเหล่านี้ดูกรรมนี้จกเป็นไปเพื่อความชีพหายแก่เขานั่นเองไม่ใช่หรือนะคนที่เขาเกลียดเราเลยนะ ถึงกับเขาด่าเราเขาแช่งชักหักกระดูกเราเขาส่อเสียดเราเขาทําเราให้แตกร้าวจากคนอื่นเขาหมิ่นเราเขาเหยียดหยามเราด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลถามว่ากรรมนี้เนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขาจะได้บุญไหมนะเขาก็ไม่ได้บุญใช่ไหมเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรซากอย่างเลยจากสภาพจิตอันนั้นจากโทสะอันนั้นที่ทําให้เขาล่วงทั้ง กายกรรมล่วงทั้งวจีกรรมล่วงทั้งมโนกรรมในการทาบาปทำอกุศลถึงกับมาด่าเราเป็นต้นก็ท่านผู้นี้ซึ่งมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นผลนะมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เขาจะกระทำใดไว้เขาก็จะเป็นผู้รับกรรมนั่นแหละเป็นทายาทผู้รับมรดกกรรมของเขานั่นแหละดงนั้นคนที่เราโกรธนะถ้าถ้าเขาทำกรรมด้วยโทสะผลของโทสะจะเป็นอย่างไรถ้าเขาทำกรรมด้วยกรรมที่เป็นโลภะโลภะจะให้ผลอย่างไรถ้าทำกรรมที่ทำด้วยโมหะโมหะจะให้ผลในลักษณะใดใช่ั้ยถ้าเขาทำบุญบุญก็ต้องให้เขามีความสุขอยู่แล้ว ใช่เราก็พิจารณาถึงว่าเขาก็มาด้วยกรรมของเขานะอันนี้สําหรับคนที่นิยมโกโรธนะผูกพยาบาทใจเจ็บใครไว้สักคนหนึ่งนะที่จะเจริญเมตตาให้มันกว้างขวางนี่คงค่อนข้า ง, ง, ง, งยากใช่ไหมนึกถึงเมื่อไหร่ก็แหมไม่ค่อยชอบใจทักทีเลยอย่างไงนึกถึงเขาเมื่อไหร่ใจก็ไม่สดชื่นดังนั้นความโกโรธนี้ในเจโตขีรสูตรอุปมาเหมือนกับตะปูตรึงใจนะไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาส ถ้าคนที่กำลังมีตะปูตรึงใจเนี่ยนะที่จะเจริญงอกงามในกุศลเนี่ยไม่มีทางนะวันคืนที่ผ่านไปใจก็จะเสื่อมแต่อย่างเดียวจากกุศ ล, ลธรรมนะถ้าปล่อยให้ความโกรธมันกลุ่มรุมจิตใจนะถึงกับไปโกรธเพื่อนสะพรมจารีกระทบกระทั่งแล้วอันหนึ่งกรรมของเขานี้สามารถที่จะทำพระสัมมาสัมโพธิญาณให้สาเร็จก็หาไม่ ใช่ไหมเออคน này, นี้เนี่ยนะทำตัวแบบนี้เนี่ยคนที่เราโกรธเนี่ยนะเขาทําตัวแบบนี้แล้วเขาจะได้เป็นพระพุทธเจ้ า, าไหมใช่ไหมพระโพธิสัตว์เขาปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่าเอ้ยเขาโกรธเขาก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะความโกรธอันนี้ใช่ไหมความไม่ดีของเขาก็ไม่ได้ทําให้เขาได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นเลยสามารถที่จะทําพระปาเจ ก, กพรโพธิญาณให้สาําเร็จก็หาไม่โอ้โหเขาโกรธนะถ้าโกรธอย่างนี้สองอาสองไข่แสนกลับจะได้เป็นพระปาเจกเปนได้ไหม พอหมกไหมอยู่ในนรกนั่นแหละสา ม, มารถที่จะทําสาวกภูมิให้สําเร็จก็หาไม่โกรธมากๆจะฉลาดเหมือนภาษารีบุตรเนี่ยนะอยว่าแต่เราเลยคนอื่นเขาก็เหมือนกันถ้าเขาทําตัวในลักษณะนั้นอย่างไรเขาก็ไม่เจริญงอกงามบรรลุเป็นภาษาเหมือนกับภาษารีบุตรได้สา ม, มารถที่จะทําสมบัติทั้งหลายมีความเป็นพรหม เป็นไปได้ไหมขณะที่เขาโกรธด้วนะโกรธนี่ตรงกันข้ามกับอับปามัญญาใช่ไหมตรงกันข้ามกับอับปมัญญานี่คนไม่ดีเนี่ยจะไปเป็นพรหมโลกได้อย่างไรนะจะไปเป็นพรหมได้อย่างไรนะคนไม่ดีเนี่ยนะจะไปเป็นเท้าสักกะได้อย่างไรจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นพ ร, พระราชาประจําประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งให้สําเร็จก็ไม่ใช่ใช่ไหมคนที่ที่เราไม่ชอบเนี่ยนะถ้าเขาทําตัวไม่ดีอย่างนั้นจริงๆริงเนี่ย อย่างไรเขาก็ไม่ได้ดิบได้ดีเพราะความชั่วของเขาอย่างแน่นอนนะเราไม่ต้องไปแช่งเขาหรอกอเคยได้ยินนะบอกว่าศัตรูเรานะถึงเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายนะรออีกหน่อยนะยังไงเขาก็ตายอยู่แล้วล่ะแต่ทําไมเราจะต้องไปบาปกับเขาด้วยแม้ขอชั้นชั้นขอเป็นคนลงมือเองนะไม่ต้องทึงขนาดนั้นอย่างนั้นอย่าคนที่เราไม่ชอบนะอย่างไรคนอื่นก็ต้องด่าเขาอยู่แล้วอ่ะเราไม่ต้องไปช่วยด่าเขาหรอกนะเขาก็ ทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่ถูกตำหนิมีไหมในโลกนี้ไม่มีหรอกนะอย่าลืมนะใครที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นเนี่ยนะถ้าคนคนนั้นให้ประโยชน์ได้เขาจะชมถ้าคนนั้นนั้นไม่สามารถให้ประโยชน์หรือตรงกันข้ามกลับไปทําลายประโยชน์คนอื่นคนอื่นๆก็จะชังเขามันก็เป็นเงื่อนไขประจําโลกแบบนี้แหละโลกนี้มีการเกี่ยวข้องด้วยประโยชน์ประโยชน์กี่อย่างประโยชน์นี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ ประโยชน์สาอย่างเลยนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานอย่างไรก็เกี่ยวข้องกันด้วยประโยชน์สมอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์เลยถามว่ายินดีไหมเช่นมีลูกเป็นอมพาสเป็นง่อยเป็นเปรี้ยวปัญญาอ่อนอยู่คนหนึ่งเอาไหมอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรบ้าข้อเลยอย่างเงี้ยเราก็รับไม่ค่อยได้ใช่ไหมเราก็ไม่ยินดีแต่ถ้าคนที่อย่างน้อยๆที่สุดให้ประโยชน์คือให้ความสบายใจก็ พอพอใจแล้วอย่างน้อยที่สุดก็คือประโยชน์ในโลกนี้ใช่ไหมถ้าเขาได้รับความเจริญได้อะไรอย่างน้อยก็คือประโยชน์คือความชื่นใจก็ยังดีนะนั้นสรุปแล้วการเกี่ยวข้องการก็ได้ประโยชน์3มอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองประโยชน์โลกนี้ก็เพื่อทรัพย์สินเพื่อการเป็นอยู่ในโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าก็เพื่อสุขติโลโลกสวรรค์ประโยชน์อย่างยิ่งก็คือเพื่อมรรคผลนิพพานทีนี้ต่อไปนะว่า ถ้าพูดถึงพระโกรธพระด้วยกันนะ่ยนะพระที่เป็นศัตรูเราซึ่งท่านทําตัวไม่ดีเนี่ยนะที่แท้แล้วกรรมนี้ก็ทําให้เคลื่อนจากพระาศาสนาพระองค์นี้ถ้าหากว่าท่านทําตัวแบบนี้นะโอท่านต้องเคลื่อนจากาศาสนาต้องสึกษาลาเพศเป็นต้นยังความเป็นคนกินเดนเป็นต้นและทุกต่างๆมีทุกขในนรกเป็นต้นให้เป็นไปแก่ตัวเขานะเขาทําของเขาเขาก็จะไปของเขาเองนั่นแหละทํามั่นคงในเรื่องกรรมเลยนะ เราจะเห็นความยุติธรรมของของโลกนี้เยอะเลยนะเราต้องไม่ลืมว่ามันไม่มีใครที่ทำชั่วบริสุทธิ์ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครทำดีตลอดได้ก็จะทำทั้งดีทำทั้งชั่วคละเคล้า ก, กันไปในขณะใดที่โทสะได้เหตุได้ปัจจัยเขาก็จะโกรธนะทีนี้โกรธไม่ได้อยู่ในใจล้อไม่ได้อยู่ในใจอย่างเดียวใช่ไหมขยับมาทางวาจาก็เป็น วัจีทุจริตนะขี้ทางใจก็เป็นมโนทุจริตนะถ้าล่วงออกมาทางวาจาก็เป็นวัจีการยืนการเดินการนั่งเป็นต้นก็เป็นไปกับกายกายทุจริตขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็เป็นกายทุจริตถามว่ามีโทษไหมมีโทษทีนี้คนไม่ดีเนี่ยนะนึกถึงว่าเออคนนั้นๆเนี่ยนะที่เขาทำไม่ดีเลยเนี่ยถ้าชาติหน้าเขามาเป็นลูกเราเอาไหม อ้ากรรมนี่มันทำให้เป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่กันได้นะพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระเทวทัตเนี although, ่ยจองเวรกับพระพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจองเวรกันมาหลายชาติด้วยกันหลายชาติด้วยนะที่พระโพธิสัตว์เป็นลูกของพระเทวทัตหลายชาติด้วยกันที่ไปเป็นลูกนะแล้วบางชาติพระเทวทัตก็เป็นลูกของพระโพธิสัตว์เหมือนกันสลับเป็นพ่อเป็นลูกกันอยู่นั่นแหละ อีกฝ่ายเป็นลูกบางอีกฝ่ายเป็นพ่อมั่งมีหลายชาติอย่างเป็นเนื้อเนี่ยนะชาติที่เป็นเนื้อพระโพธิสัตว์เป็นพ่อชาติที่เป็นพระราชาอ่าพระพระราชาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นลูกนะ ท, ที่ที่ในพ่อเนี่ยสั่งให้ตัดมือตัดเท้าตัดจมูกแล้วก็ถึงกับฆ่าทิ้งเลยเนี่ยนะใช่ไหมบางทีก็เกี่ยวข้องกันเช่น พระโพธิสัตว์เป็นช้างพระเทวทัตเป็นนายพรานอย่างเงี้ยพระโพธิสัตว์เป็นฤษีพระเทวทัตก็เป็นพระราชาอย่างเงี้ยก็ได้เจอกันด้วยอะแต่ก็มีนะเป็นเป็นพ่อเป็นลูกกันคณะชาติสุดท้ายยังเป็นเกี่ยวดองกันเหมือนกันนะแต่ถือว่าตระ ก, ก, กูลเดียวกันอย่างนั้นเถอะสายกษัตริย์เชื้อเดียวกันเชื้อพะวงเหมือนกันแล้วเป็นพี่เขยด้วย ถ้ายัางผูกเวรกันอีกนะเพราะว่าพระนางพิมพานั้นเป็นน้องของพระพระเทวทัต น, นั่นนหะมันยังเกี่ยวข้องกันมาจนถึงชาติสุดท้ายนั่นแหละชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์นะก็คือชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะแต่ว่าพระเทวทัตท่านยังอีกยาวอีกแสนกลับข้างหน้าท่านจะได้เป็นพระปัจเจกาพระพุทธเจ้านะ <c oughs> เอาไว้รอใส่บาด ท, ท่านนะโอ้ท่านในดีเนี่ยท่านเป็นนาบุญของโลกนะเราก็ได้ใส่บาดกับท่า น, น <c oughs> หวังประโยชน์โลกหน้าจากท่านหน่อยอีกแสงกลับตั้งแสนกลับนะโหยสังสารวัตรเราเวียนไหวาตายเกิดมามากกว่านั้นอีกมามากกว่านั้นอีกถ้าขณะช่วงนี้นะ อ, อถ้ายังไม่เห็นอริยสัจนะอย่าหวังเลยว่าจะสั้นเอางี้นะวันนี้เราคิดเรื่องอริยสัจอีกครั้งแล้ว เ อ, นะ เ, อเอาคิดถึงก็ได้เอาไม่พิจารณาก็ไม่เป็นไรคิดถึงคําว่าอริยสัจนี่มีกี่ครั้งอรหังสัมมาสัมพุทโธพ ร, ระกวาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านะสัมพุทโธก็คือท่านตรัสรู้เรื่องอริยสัจเป็นต้นเนี่ยคิดบ้างหรือเปล่ากคนเนะใช่ไหมแต่แค่คิดยังไม่คิดเลยอย่าว่าบรรลุเลยเนาะยังไม่รู้เลยบรรลุอริยสัจเป็นยังไงเลยเนาะโออยากตรัสรู้ธรรมะจังเลยอย่างเงี้ยตรัสรู้อริยสัจถามว่าทุกสัจตรัตรสรู้อย่างไรใช่ไหม สมุทัยสัตว์ตรัสรู้อย่างไรนิโรธสัตว์ตรัสรู้อย่างไรมัคสัตว์ตรัสรู้อย่างไรอนะที่ว่าอริยสัตว์ยังไม่คิดถึงเลยนะไม่ต้องพูดถึงบรรลุเลยทุกขสัตว์นี้บรรลุด้วยอะไรบรรลุอย่างไรบรรลุด้วยปริญญาสามสมุทัยสัตว์บรรลุด้วยด้วยการละตะหานะทั้งห้านั่นแหละนิโรธสัตว์บรรลุด้วยการทําให้แจ้งมัคสัต์บรรลุด้วยการเจริญ แต่ปราถนาเหลือเกินบรรลุเนี่ยนะบรรลุยังไงก็ยังไม่นึกไม่ออกเลยแต่เอาไว้ก่อนนะขอก่อนนะนั่นแหละั้นถ้าคำว่าอริยสัจเป็นต้นยังไม่ค่อยจะคิดถึงนะว่าตะยาวแน่ไม่ต้องห่วงอะ่ะใช่เพราะผู้ที่ไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะเวียนว่ายตายเกิดอีกเหมือนกับขุนเขาซิเนรุนะหรือขุนเขาหิมาวันเนี่ยนะมันมาก แต่ถ้าผู้ที่แทนตลอดอริยศาสตร์แล้วนะสังสารวัตก็จะเหลือเท่ากับเมล็ดเจ็ดเมล็ดพันธกาบนั่นแหละนั่นแหละแล้วถ้าวันวั น, ว น, วนไม่ค่อยนึกถึงอริยศาสตร์เลยแต่ปารถนาบรรลุธรรมเนี่ยนะเราก็ต้องคิดอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะที่เราบรรลุบรรลุอะไรกันแน่นะตั้งความปารถนาห้ยขอให้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานอย่างเงี้ยเออมรรคผลนิพพานกับของเรากับของพระพุทธเจ้าไม่แน่นะอาจจะคนละอย่างก็ได้ที่กล่าวว่าอย่างนั้นเนี่ย เพราะเรายังกาหนดไม่ได้เลยเ อ, อท่านบรรลุอะไรเราก็ยังไม่ค่อยจะรู้เลยใช่ไหมยังบรรลุอริยสัจก อ, อพอเข้าเข้าแล้วแต่ก็ไม่แน่ว่าจะถูกเสมอไปเพราะได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนะอธิบายอริยสัจแบบความเห็นของตัวเองนะซึ่งซึ่งจะไม่เ อ, อ่ยเชื่อเพราะไปกระทบกระเทือนต้อเข้าไปะแต่มีซึ่งมีที่กําลังโด่งดังกันอยู่มีการอธิบายอริยสัจซึ่งนคนละงานเลยอะคนละงานเลยอะ คนละ ง, งานกับในพระไตรปิฎกในชาติปิทุกขาชร า, าปิทุกขาไม่ใช่สักอย่างนั้นเราก็เห็นว่าเออเป็นไปขนาดนี้แหละขนาดตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะตรัสรู้ธรรมก็ยังนึกไม่ออกว่าตรัสรู้อย่างไรตรัสรู้อะไรเป็นต้นเนี่ยนะนี่ก็กลําบากละแต่ก็ไม่เป็นไรตั้งใจใหม่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจท่านตรัสรู้อย่างไรนะมาปลูกฟังเรื่องไตราสารณาคมให้มันมันม่นขึ้น พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านบรร ล, ล, ลุอย่างไ ร, นะ ร, ท, รงท่านบรรลุเมื่อไหร่บรรลุอย่างไรนะพระธรรมคาสอนของท่านท่านสอนอย่างไงพระสงฆ์เมื่อก่อนที่ท่านปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลเนี่ยท่านบรรลุอย่างไงนะเราก็ค่อยๆศึกษาแบบนี้มาใหม่นะค่อยๆทาความเข้าใจในเรื่องคุณของพระรัตนะตรายให้มากขึ้นไม่งั้นนะไปนานๆเพรามันแถวไปเรื่อยๆๆๆแต่ก็สุดละหมดอิจชาติน่งแล้ว ชาติหน้าเนี่ยนะทำมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโหหน้าทองสารที่สุดเลยขอธรรมะเนี่ยเจริญกรุณาให้ตัวเองนะนะามาเกิดเป็นมนุษย์ยุคหน้าเนี่ยนะทุกแน่เลยขนาดชาตินี้ก็เพียงพอแล้วนะชาติหน้าเนี่ยไปศึกษาธรรมะที่ไหนนาะนะแค่ว่าคนยุคหน้าเนี่ยต่อไปเนี่ยนะภารกิจกิจการงานเนี่ยมากจริงๆที่จะได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยยากละ้ะถ้าเราไม่รีบพ้นขวายศึกษาชาตินี้ฟังชาตินี้เรียนชาตินี้ให้มากๆแล้ว นะสังสารวัฏเนี่ยเจริญกรุณาให้ได้เยอะๆนะอีกแผ่นดินสูง16กิโลเมตรนั่นแหละพระสีอานท่านจึงจะมาตรัสรู้นะรอได้ก็รอไปนะถ้ารอไม่ได้ทำไงอ่ะก็ศึกษาธรรมะไปก่อน <c oughs> <c oughs> เพื่อประทังประทังชีวิตในช่วงที่จากนี้ไปเจอพระอริยะนะที่ท่านจะได้แนะนำข้อปฏิบัติวิถีชีวิตของเราต่อไปอที่นี้กล่าวถึงว่าผู้ที่เขามีความโกรธเนี่ยนะถ้าสมมติ สมมติว่าถ้าเราเป็นคนดีคนมีศีลคนมีกัลยาณธรรมอ่าคนดีเนี่ยนะเมื่อใครไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะถ้าทําดีด้วยได้บุญไหมได้บุญนะถ้าไปด่าได้บาปเนี่ยเราดีจริงหรือเปล่าถ้าเขามาด่าเราเขาจะบาปเลเนะี่ยถ้าเขาด่าเขาก็บาปนะแต่บาปมากบาปน้อยก็สุดแท้แต่ความดีของของเราถ้าเราดีมากเขาด่าเราเขาก็บาปมากถ้าเราดีน้อย เขาก็บาปน้อยหน่อยบางท่านก็บอกเออทําตัวให้มันเร็วมากๆหน่อยเขาเขานี้เราก็จะได้ไม่ต้องบาปมากนักเท่านั้นก็พอกันนั่นแหละก็ไปรับเอาเขามาสักครึ่งหนึ่งแล้วนะมีมีคนยังคิดแบบนี้อีกมั้งยังแปลกใจเหมือนกันนะก็บอกเขาด่าเรานะเราก็โกรธเขาซะหน่อยเท่านั้นเขาจะได้บาปน้อยๆหน่อยคิดไปนั่นอีกสงสารกันเองเนะแกว่าสงสารในฐานะที่ไม่ควรสงสาร สงสารถึงก็ยอมตัวเองเห็นเขาตาเคมาเอาแล้วเดี๋ยวเราไปผ่าตัดตาออกข้างหนึ่งก็ได้เหมือนกันจะได้บอดคล้ายๆกันอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความฉลาดอะไรทีนี้กล่าวถึงว่าถ้าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมถ้าหากว่าผู้นี้นั้นเนี่ยทำกรรมอย่างนี้ก็ชื่อว่าโปรยฝุ่นคือโทษต่างๆใส่ตนเองทีเดียวเหมือนอย่างคนที่ยืนอยู่ในที่ทวนลม ประสงปโปรยฝุ่นใส่คนอื่นแต่ปโปรยฝุ่นในตนเองอยู่เช่นั้นนะถ้าเขาโกรธเราเนะีเราก็เหมือนกับถ้าเราดีนะีก็เหมือนกับอยู่ในที่ที่ลมมันพัดอะ่ะเสร็จแล้วเขาอยู่ใต้ลมเราอยู่เหนือลมเขาก็ซัดฝุ่นใส่เราถามว่าฝุ่นอันนั้นเนี่ยจะโดนใครนะอย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าคนพาณใดประทุสร้ายผู้ไม่ประทุสร้ายซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเพียงดังเนิน บาปย่อมคืนสนองคนทานนั้นนั่นแหละดุดฝุ่นละเอียดที่เขาซัดไปทวนลมแต่กลับย้อนมาถึงผู้ซัดไปนั่นเองฉะนั้นนี่เป็นเป็นพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสมาแต่นี้ขอยยกตัวอย่างถึงว่าการกล่าวโทษการว่าร้ายผู้ที่มีพระคุณเนี่ยนะผู้ที่มีคุณงามความดีเนี่ยนะมีมีโทษอย่างมากมายมหาศาล อ ย, อย่างยกตัวอย่างในเรื่องของนายพรานสุนัขชื่อว่าโกกะนะซึ่งไปทําร้ายพระเทระที่เที่ยวบินธบาตรูปหนึ่งจนถึงกับตัวเองก็กกต้องตายไปข้อความในธรรมปทะักถาอัตกถาคุตการนิกายคาถาธรรมบทเรื่องนายพรานสุนัขชื่อว่าโกกะภาษาสดาเมื่อประทรับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบนายพรานสุนัขชื่อว่าโกกะ พรัธรรมเทศนานี้ว่าโยอปทุทัศนรัะทุสติเป็นต้นได้ยินว่าเวลาเช้าวันหนึ่งนายพรานนั้นถือธนูมีสุนัขห้อมล้อมออกไปป่าพบภิกษุถือบินทบาทเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทในระหว่างทางพอเห็นเข้าคิดยังไงนะสั ม, มนานั้นจะทัศนังใช่ไหมการเห็นสัมม น, นี t เป็นอุดมมงคลใช่ไม เป็นมงคลเหมือนกันนะแต่ถ้าหากว่าคนที่สะสมโทสะมากมากนะนึกว่าเป็นอัปมงคลอนะนาะเห็นแล้วโกรธเลยก็เลยคิดว่าเราพบคนกาลกณีวันนี้จักไม่ได้สิ่งอะไรอะไรเลยวันนี้ซวยแน่นอนไปหาเนื้อไม่ได้แน่วันนี้ <c oughs> ก็เหมือนกับแถวบ้านอะไรมาก็เหมือนกันเขามีวันไหนถ้าเขาจะไปใส่เบ็ดกันไหม วันนี้เห็นพระท่านเดินในชายทุ่งเดินจากหมู่บ้านไปหมู่บ้านหนึ่งวันนี้เราไม่ต้องหาแล้วมั่งปลาเขาว่าเ <c oughs> <c oughs> ห็นพระแล้ววันนี้อดแน่นอนค <c oughs> นที่สะสมมาเราเป็นลักษณะนั้นในพารานตรงนี้ก็เหมือนกันโกรธเลยนะพอเห็นพระบินทบาทหยเจอคนซวยแล้วนะวันนี้ไม่หมาและ้ะอดแน่ <c oughs> <c oughs> นะแต่เห็นแล้วโกรธก็หลีกไปฝ่ายพระเทเร่ที่ยบินทบาทในหมู่บ้านทำธุรกิจแล้วจึงกลับไปสู่วิหารอีก ฝายในายพรานนอกนี้เที่ยวไปในป่าก็ไม่ได้อะไรอะไรนะไม่ได้เหมือนอย่างที่คิดเลยนะที่ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเห็นพระนะแต่ได้ด้วยเหตุอย่างอื่นไปเมื่อกลับมาก็พบพระเถระอีกคิดว่าวันนี้เราพบคนละกันคนกาลกันีนี้แล้วไปป่าจึงไม่ได้อะไรอะไรบัตรนี้เธอได้มาเผชิญหน้าเราแม่อีกเราจะให้สุนัขทั้งหลายกัดพระรูปนั้นเสียไนะม่ได้เนื้อฆ่ากัดพระแทนก็ได้อย่างนี้แล้วก็ให้สัญญาเนี่ยปล่อยสุนัขนะ เธอคือถ้าหมาที่เขาฝึกมาเพื่อที่จะไปล่าเนื้อเนี่ยนะให้สัญญาณด้วยการดีดนิ้วมือปั๊บเนี่ยรู้เลยนะว่าคําสั่งเป็นอย่างไรพระเทระก็อ้อนวอนว่าอุบาสกอย่าทําอย่างนั้นเขาร้องบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้อะไรเพราะประสบท่านท่านก็มาประสบข้าพเจ้าแม้อีกข้าพเจ้าจะให้สุนัขกัดท่านอันนี้สำนวนเขาแปลเพราะหน่อยนะเจริงคําที่จะสั่งฆ่าไม่ได้พูดหวานขนาดนี้แล้วนะจะไม่ใช้คําว่าข้าพเจ้าง่ายๆหรอก อย่างน้อยก็ใช้สูตรแบบคนเมื่อสมัยสุขโขทัยเขาพูดกันนั่นแหละดังนี้แล้วก็ให้สุนัขเนี่ยกัดพระเถระก็รีบขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเร็วนั่งบนที่สูงชั่วบุรุษหนึ่งเขนะบอกว่าถ้ามีเหตุเนี่ยขึ้นต้นไม้ได้แต่ถ้าไม่มีเหตุนะไปขึ้นสูงเกินหัวปั๊พระเนี่เป็นอบัตนะพระเนี่ขึ้นต้นไม้สูงเกินหัวไม่ได้เป็นอบัตทุกกฎ น, นะแต่ถ้ามีเหตุมีภัยอย่างใดเนี่ยนะขึ้นสูงได้ พันสุนัขทั้งหลายก็พากันห้อมล้องต้นไม้นั้นไวนายโกกะไปแล้วก็ร้องบอกว่าท่านแม้ขึ้นต้นไม้ก็ไม่พ้นไปได้นะจะเอาให้ได้เลย อ, อย่างนี้แล้วก็แลแทงพื้นเท้าของพระเถระด้วยปลายลูกศรลูกศรนอี่จิ้มเท้าพระเถระก็อ้อนวอนว่าอย่าทําอย่างนั้นอย่าทําเช่นนั้นนายโกกะนอกนี้ก็ไม่คํานึงถึงคําอ้อนวอนของท่านกลับแทงกระหน่าใหญ่ พระเถระเมื่อพื้นเท้าข้างหนึ่งถูกแทงอยู่จึงยกเท้านั้นอ่ะขึ้นย่อนเท้าที่สองลงอ่ะนะสลับเหยียบขึ้นเหยียบลงอ่ะนะเหยียบอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ถูกแทงเนี่ยแม้เมื่อเท้าที่สองนั้นถูกแทงจึงยกเท้านั้นขึ้นเสียนายโกกะไม่คำหนึงถึงคําอ้อนวอนของพระเถระแทงพื้นเท้าทั้งสองแล้วด้วยอาการอย่างนี้เทียวสรีระของพระเถระได้เป็นประดุจถูกกลมด้วยคบเพลิงอ่ะนะ มันไม่ได้ไม่ได้ถูกแทงที่เดียวใช่ไหมถูกแทงหลายสิบที่อย่างเนี้ยมันก็ปวดร้อนทั้งตัวเลยท่านสเสวยเวทนาไม่สา ม, มารถจะคุมสติไว้ได้จีวรที่ท่านห่มแม้หลุดลงก็กําหนดไม่ได้ผ้าเนี่ยหลุดไปเลยนะผ้าที่ห่มแบบเนี้ยหลุดเลยจีวรนั้นเมื่อตกลงมาก็ตกลงมาคลุมนายโกกะตั้งแต่ศีรษะทีเดียวนะลงมาพอดีค ล, คลุมไว้พอดีเลย เหล่าสุนัขก็กรูกันเข้าไปในระหว่างจีวรด้วยสําคัญว่าท่าเทระตกลงมาดังนี้แล้วก็รุมกัดกินเจ้าของของตนดีปะ่ะต่ขอแบ่งเข้ามาดิถ้าไปบอกไปดีใจด้วยที่เขาแต่รับอกุศลไม่บางเนี่นะก็เท่ากับไปขอแบ่งบาปเข้ามาด้วยนะนะเจริญกรุณาเอาไว้เนี่ย อ, อคนทานเนี่ยเป็นลักษณะนี้เนาะสุนัขทั้งหลายก็กัดกินเหลือแต่กระดูกเลย พอสุนัขทั้งหลายออกมาระหว่างจีวรแล้วได้ยืนอยู่ภายนอกที่นั้นพระเถระก็เลยหักกิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งขว้างสุนัขเหล่านั้นนะก็เลยหักกิ่งไม้นี่ไล่กิ่งไม้ตายนะถ้ากิ่งไม้สดเนี่ยพระหักไม่ได้เป็นวัตถุแห่งอบัติปาจิตินะเป็นปาจิตตีนะเพราะการพรากแห่งภูตะคำนะพระเนี่ยตัดต้นไม้เป็นเป็ น, ปนไม่ได้แต่ถ้าเป็นผักบุ้งที่เขาเช่นต้นไม้ที่เป็นสามารถงอกได้นะ แต่หลุดมาจากที่แล้วแต่ถ้าสามารถงอกได้ถ้าไปไปตัดไปอะไรเนี่ยเป็นวัตถุแห่งทุกข์นะพีชคามเป็นวัตถุแห่งทุกข์แต่ถ้าภูตะคามคือต้นไม้ที่ขึ้นติดอยู่กับที่อย่างเนี้ยถ้าไปพรากไปเด็ดไปอะไรเป็นวัตถุแห่งอบัติปาจิตตีแต่พระองค์นี้ท่านก็เลยหักเฉพาะกิ่งตายเนี่ยนะคว่างคว่างหมาให้รู้ตัวนะสุนัขเหล่านั้นเห็นพระเทระแล้วรู้ว่าพวกตัวกัดกินเจ้าของเองหนีเข้าป่ากลัวอา้าเสร็จแล้วเจ้านายเรา หมาก็เลยเผ่นเข้าป่าหมดเลยพระเทเระเกิดความสงสัยขึ้นว่าบุรุษนั้นเข้าสู่ระหว่างจีวรของเราชีพหายเสียแล้วศีลของเราไม่ด่างพร้อยหรือหนอท่านเดือดร้อนใจเอ๊ศีลเรายังดีหรือเปล่าเนี่ยที่จีวรเนี่ยนะไปตกลงแต่ท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะให้คลุมให้หมากัดอะไรหรอกแต่ท่านก็วิปัสสนาเดือดร้อนใจขึ้นมาท่านลงจากต้นไม้แล้วไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเรื่องราวนั้นตั้งแต่ต้นแล้วทูลถามว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญอุบาสกนั้นอาศัยศีลของข้าพระ อ, องค์ชิพหายแล้วอาศัยจีวรของข้าพระ อ, องค์ชิพหายแล้วศีลของข้าพระ อ, องค์ไม่ด่างพร้อยแลหรือสมณภาพของข้าพระ อ, องค์ยังคงมีแลหรือคือถ้าพระนั้นถ้าข้ามนุษย์เนี่ยนะเป็นปาราชิกนะอันหนึ่งพิสูจใดเนี่ยนะพรากชีวิตแก่กายมนุษย์ หรือสแสวงหาศาสตราอันจะนํามาแก่ชีวิตแก่กายมนุษย์เนี่ยนะหรือพลนาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่ออันตายด้วยด้วยคําเป็นต้นว่านแน่นายผู้เป็นชายมีประโยชน์อะไรแก่ชีวิตนะอันชั่วนี้ท่านตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้เธอมีจิตใจอย่างนี้นะพลนาคุณแห่งความตายชักชวนเพื่ออันตายโดยหลาในแม้พิสูจน์นี้ก็เป็นปราชิกหาสังวัตไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้คนนึกว่าเอ้จีวรของเราเนี่ยเป็นยังไงเรา ประราชิกหรือเปล่าเนี่ยเอ้หรือว่ามันเป็นอบัติอย่างใดย่างหนึ่งหรือเปล่าที่จีวรไปตกกลมหัวท่านกลุมหัวของโยมคนนั้นถึงกับเขาตายไปท่านก็สงสัยพระาศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพระเถระนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุศีลของเธอไม่ด่างพร้อยสมณภาพของเธอยังมีอยู่เขาประทุษร้ายต่อเธอผู้ไม่ประทุสร้ายจึงถึงความพินาศ ทั้งไม่ใช่แต่ในบัตรนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในอดีตการเขาก็ประทุสร้ายต่อผู้ไม่ประทุสร้ายถึงความพิรุษแล้วเหมือนกันเออคนที่สะสมแบบนี้เนี่ยนะทำตัวแบบนี้ไม่ใช่ชาติเดียวนะผมก็บอกว่าคะ่ะเรื่องเคยมีมาแล้วว่า ง, งั้นเถอะคนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สะสมนิสัยแบบนี้มาเฉพาะชาตินี้ดังนี้แล้วเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นทรงนําอดีตเรื่องราวมาตรัสว่าดังได้สดับมา ในอดีตการหมอผู้หนึ่งเที่ยวไปในหมู่บ้านเพื่อต้องการประกอบเวชกรรมนะหมอสมัยก่อนเนี่ยตามาเที่ยวหาคนไข้เหาือนกันไม่ได้กราอะไรอะไรอันความหิวรบกวนแล้วไปพบเด็กๆ เ, เป็นอันมากกำลังเล่นอยู่ที่ประตูบ้านจึงคิดว่าเราจะให้งูเนี่ยกัดเด็กเหล่านี้แล้วรักษาก็คงจะได้อาหารนะวางแผนจะไปขอข้าวเากินเลยก็ไม่กล้านะนะนะเดี๋ยวก็เสียชื่อหมอหมด เออทำให้งูกัดก่อนแล้วเรารักษานะก็จะได้พอค่าอยู่ค่ายาไปซื้อข้าวปลากินบ้างดังนี้แล้วก็แสดงงูเนี่ยนอนชูศีรษะในโพรงไม้แห่งหนึ่งบอกว่าแน่เจ้าเด็กผู้เจริญทั้งหลายนั่นลูกนกสลิกาพวกเจ้าจงจับมันนะนั่นนนี้มีลูกนกอยู่นะจับเลยทันใดนั้นเด็กน้อยคนหนึ่งก็จับงูที่คออย่างมั่นแล้วก็ดึงออกมานะจับแทนนี้ลวงไปงูจะกัดใช่ด้านฝีมืออีกไปจับ ได้คองูก็ดีเลยดึงออกมาก็รู้ว่ามันเป็นงูก็ร้องขึ้นสลัดไปบนกระหม่อมของหมอผู้ยืนอยู่ไม่ไกละนะเวี <c oughs> ยง <c oughs> ไปหาหมอเนี่ยแหละงูรัดก้านคอของหมอกัดอย่างถนัดให้ถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเองนะหมองูเดินงูกัดอย่างนี้ก็เจ๊งเหมือนกันนะนะ <c oughs> มีใครรักษาให้เลย นายพรานกูกะสุนัขคนนี้เนี่ยนะแม้ในการก่อนก็ประทุสร้ายต่อผู้ไม่ประทุสร้ายถึงความพิราษแล้วอย่างนี้เหมือนกันนะอดีตชาติของเขาอะ่ะาทศาสดาก็เลยทรงนําเรื่องราวมาตรัสอย่างนี้แล้วเมื่อจะสุบอนุสมทิแสดงธรรมอันนัอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พระองค์ก็แสดงธรรมว่าผู้ใดประทุสร้ายต่อนรารชนผู้ไม่ประทุสร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสดุดเนิน บาปย่อมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาณ น, นั่นเองเหมือนธุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปชนนั้นใช่ไหมซึ่งอัตถกถาอธิบายว่าบทว่าปฏิวาตังปฏิวาตังก็คือเหมือนกับทวนลมอ่ะนะเป็นต้นเนี่ยนะความว่าธุลีที่ละเอียดอันบุรุษผู้หนึ่งซัดไปด้วยความเป็นผู้ไข่ประหารผู้ยืนอยู่ในที่เหนือลม ย่อมกลับถึงบุรุษนั่นเองคือตกลงที่เบื้องบนของผู้ทรัต์ายนั่นเองชันใดบุคคลใดเมื่อประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้นเชื่อว่าย่อมประทุสร้ายต่อบุรุษผู้ไม่ประทุสร้ายบาปนั้นเมื่อให้ผลในปัจจุบนันนี้หรือในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นในพบหน้านะคือชวนะดวงที่หนึ่งก็สามารถให้ผลในภพนี้ดวงที่เจ็ดก็ในชาติที่สองไป สองถึงหก็ชาติที่สามเป็นต้นไปผู้สะสมไว้ตั้งหลายชาตินะทำครั้งเดียวอย่างเียนะสามชาติเรียบร้อยเลยนะชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยชาติต่อๆไปด้วยเฮ้ย hey, ันต้องเลือกทํากรรมแนะ่เนะปล่อยจิตโทสะให้มันเกิดบ่อยเนี่ยนะสร้างทุกข์ให้แกตัวเองไม่เฉพาะชาตินี้นะชาติหน้าชาติที่สามไปอีกเพราะฉะนั้นบาปเนี่ยนะก็ชื่อว่าย่อมกลับมาถึงบุคคล น, นั้นนั่นแหละผู้เป็นทานด้วยสา ม, มารถวิบากทุก นั่นคือสา ม, มารถให้วิบากที่เป็นทุกข์คำว่าวิบากนั้นเป็นชื่อของจิตและเจตสิกชาติวิบากจิตชาติวิบากมีกี่ดวงไหมมีเท่าไหร่สามสิบหกใช่ไหมสามสิหกโดยยนะ่อเนาะจิตชาติวิบากสามสิบหกโดยย่ออะไรบ้างไ อ, อเหตุกนะสิบห้าเนาะอเหตุตกะสิบห้ามาวิบากเท่าไหร่แปดนะมากรกตาวิบากอีก โลกุตราวิบากอีกสี่สี่นะโดยยอ่ออันนั้นนี่พูดรวมๆเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นผลของอกุศลจิตสิบสองให้ผลได้กี่ดวงเจ็ดดวงนะก็คืออากุศลวิบากเจ็ดดวงนะถ้าให้ผลทางตาก็ทำให้เห็นสีที่ไม่ดีสีนี่เป็นผลของอะไร ส, สีเป็นผลของอะไร สีเนี่ยเกิดจากสมุทฐานสีนะอาจารยเอ๊ะแต่เข้าใจเรื่องนี้ดีขนาดไหนแองถามมันกันนะบาหรือเปล่าเนี่ยอ่าสีเนี่ยเกิดจากสมุทฐานสีแต่ถ้าสีนั้นเป็นสีที่ไม่ดีนะเกิดจากกรรมก็ตามเกิดจากจิตก็ตามเกิดจากอุตตุก็ตามเกิดจากอาหารก็ตามถ้าเป็นสีที่ไม่ดีจากครูวิญญาณที่เห็นสีอันนั้นเป็นอกุศ ล, ลวิบากนะเป็นผลของอกุศล สัมปติชณจิตก็เป็นผลของอกุศลสันติรนะจิตก็เป็นผลของอกุศลตะทารมนะจิตก็เป็นผลของอกุศลที่รับภาพนั้นที่รับสีที่ไม่ดีอันนั้นถ้าเกิดเสียงโสตาวิญญาณนี่เกิดขึ้นได้ยินเสียงใช่ไหมเสียงกีสมุทฐานเสียงนี่เกิดจากสมุทฐานสองคือเกิดจากจิตและอุตตุจิตและอุตตุ เสียงที่ไม่ดีเนี่ยนะที่เกิดจากจิตก็ตามเกิดจากอุตุก็ตามถ้าโสตวิญญาณเกิดขึ้นได้ยินเสียงที่ไม่ดีอันนั้นเนี่ยนะโสตวิญญาณนั้นเป็นผลของอกุศล น, นะทางจมูกก็เหมือนกันนะเกรนมีสมุทฐานเท่าไหร่สมุทรฐานสีนะสีเก่นเนี่ยเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารรสเกิดจากสมุทรฐาน สอย่างนะกามจิตอุตุและอาหารโพธาภะแหละสมุทานสี่กามจิตอุตุและอาหารสรุปแล้วนะสีเสียงกลิ่นรสโพธาภะนะเสียงเนี่ยนะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งทจริงก็คือวินิโพคครูปแปดนั่นเองนะวินิโพคครูปแปดวินิโพครูปแปดนี้เป็นโครจรารูปเท่าไหร่เท่าไหร่ โคจรรูปแปลว่าอะไรโคจรเนี่ยแปลว่าอารมณ์นะรูปที่เป็นอารมณ์มีทั้งหมดเจดรูปใช่ไหมโคจรรูปเจ็ดอวินิโพครูปเป็นโคจรรูปนะอโปเนี่ยนะเป็นไม่ใช่โคจรรูปนะชีวิตไม่ใช่อาหารรูปอาหารรูปก็ไม่ใช่โคจรรูปโคจรรูปคือสีหนสอง เสียงสามกลิ่นสรสนะปัทวีวายโยเตโชเจรูปนี้เรียกว่าโคจรรูปเพราะฉะนั้นไอตัวปัญจวิญญาณเนี่ยนะคือจากขูวิญญาณถ้ารู้โคจรรูปที่ไม่ดีอันนี้เรียกว่าเป็นผลของอกุศล น, นะโสตวิญญาณที่รู้โคจรรูปที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลตัวอารมณ์ไม่ดีนะ แต่จิตที่มารับรู้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีอันนั้นเนี่ยเป็นผลของอกุศลนะบางแต่บางคนเนี่ยนะถ้าเรียนเรื่องกรรมไม่ดีนะพอไปเห็นสีที่ไม่ดีเลยบอกโอ๊ยกรรมไม่ดีให้ผลเลยเนี่ยกรรมไม่ดีให้ผลเป็นสีหรือให้ผลเป็นจิตให้ผลเป็นจิตนะแต่บอกว่าจะโยนไปให้สีนี่น่ะนะทำไมไปถูกด่า ม, มาโอ๊ยวันนี้อกุศลวิบากเกิดหน้าดูถูกด่า ม, มา แต่นึกถึงเสียงนะั่นไม่ได้นึกถึงไอจิตโสตาวิ ญ, ญญาณหรอกแต่นึกถึงเสียงนึกว่าเสียงนี้เป็นผลของของเกรร่าอัน น, นัตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะสับสนนะอย่าลืมว่าตาก็มาจากปัจจัยของตาสีก็มาจากปัจจัยของสีจกักรคูวิญญาณก็มาจากปัจจัยของจกักรคูวิญญาณคนลังงานเลยแต่มาประชมกันเข้าพอดีเป็นสังขารธรรมสังขารเที่ยงไหมนักสาทุกสาทุเก่งมากถกควรไม่มากๆ นั่นแหละข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์อ่าเพราะฉะนั้นไอปัญจวิญญาณทั้งห้าเลยนะคือจักขูโสตาคานะชิวหากายที่ถ้าหากว่าเป็นผลของทิฏฐธรรมก็ได้นะสมมติถ้าหากว่าอากุศลจิตสิบสองที่เราสะสมไว้ในชาติเนี่ยนะชาวนะดวงที่หนึ่งในวิถีนั้นๆอากุศลจิตสิบสองสา ม, มารถให้ผลเป็นปัญจวิญญาณทั้งห้านี้ได้ แต่ถ้าจากครูวิญญาณเกิดปุ๊บสัมปติชนะก็ต้องต่อสันติรณะก็ต้องทํากิจต่อและรับอารมณ์ต่อนะก็เป็นฝ่ายที่ไม่ดนะีของชาตินี้ก็เป็นได้หรือไม่ถ้าเป็นชาวนะดวงที่เจ็ดของชาติที่แล้วก็มาให้ผลในขณะนี้ที่ไม่ดีก็ได้นะถ้าดวงที่เจ็ดนะกรรมที่ทําไว้ในอดีตแต่ชาติเนี่ยคือชาติที่แล้วเนี่นะดวงเดียวเท่านั้นที่ให้ผลอย่างกรรมที่เราทําในชาตินี้ทั้งหมดเลยนะ ดวงเดียวเท่านั้นที่ให้ผลในชาติหน้าคือดวงที่เจ็ดดวงที่หนึ่งไม่ให้ผลในชาติหน้าชาติหน้าที่สองเนี่ยนะไม่ใช่หน้าเกินไปนั้นอีกแต่ดวงที่สองถึงหกก็ไปให้ผลในชาติที่สามไม่ได้ให้ผลในชาติที่สองมันมีขยักขย่อนกันนะน่าจะให้ทีเดียวให้หมดเลยให้ทีเดียวหมดเลยเอาป่ะแต่จริงๆตามมณิยามนะไม่ได้มีผู้ใดผู้หนึ่งไปจัดแจงเขาได้หรอก อยากก็ไม่ให้ก็อยากก็ไม่เกิดเนี่ยไม่อยากก็เกิดก็มีตั้งเยอะแยะนะอันนี้เรียกว่าให้ผลในประวัติการถ้าบาปให้ผลในปฏิสนธิการก็ได้ให้ผลในปฏิสนธิการก็คือให้ผลนำเกิดในอบายสีนะนับตั้งแต่แรกเกิดแรกปฏิสนธิเลยนรกก็ปฏิสนธิด้วยอาคุลนิบากประเภท อุเบขาสันติรณะนะที่นําเกิดนะตัวจิตที่เกิดนะแต่ตัวเหตุที่นําเกิดนั้นมีอยู่11ดวงด้วยกันนะที่ให้ผลนําเกิดนะ11ดวงคืออกุศลจิต12ไม่ให้ผลนําเกิดอยู่ดวงเดียวคืออุทจจะสัมปยุตที่เหลือสามม่าให้ผลนําเกิดได้นะทบทวนเรื่องกรรมบ้างนะนะจะได้โกรธน้อ ย, นอยหน่อยใช่ไหมจะได้เห็นเออโกรธนี่มีผลอย่างนี้นะ ถ้าอยากหน้าเกลียดหน้ากลัวขนาดไหนก็โกรธไว้มากมากนะชาิหน้าก็จะสมอยากเลยแหละเดรัจฉานก็เกิดจากผลของอกุศลเนี่ยนะนะแล้วก็เปรตหรืออสุรกายก็ในลักษณะเดียวกันคนที่สะสมความโกรธไว้มากๆเนี่ยนะนะเราไม่ต้องไปถ้าเขาโกรธมากๆเขาไม่ดีจริงๆเนี่ยนะนะเราแทบไม่ต้องไปแช่งชักหักกระดูกอะไรเขาเลยนยะ เขาก็จะสมควรแก่กรรมของเขาเหมือนกันแต่ถ้าเราเกิดไปโกรธไปด่าเขาอีกเราก็จะสมควรแก่กรรมของเราเหมือนกันนะที่เราไปโกรธเขาเนี่ยนะเราก็จะสมควรแก่กรรมของเราเหมือนกันแต่เขาไม่ดีก่อนสมควรแก่กรรมของเขาอยู่แล้วล่ะเราไปขอแบ่งเขามาหน่อยนะเราก็จะสมควรแก่แก่กรรมของเราเหมือนกันถ้ากรรมมสกตาสัมมาที่ที่อันนี้ดีนะทำให้ศึกษาพระธรรมต่อไปในด้านอื่นๆอีกนะศึกษาเรื่องอริยสัจก็จะพอศึกษาได้เหมือนกันเลย พอฟังได้ส่วนจะรู้แจ้งหรือไม่ก็สุดแท้แต่อ er so like ินรีอินรีนี้เกิดจากอะไรอินีอินีไม่เท่านะอินซีที่ปฏิบัตินะอินซีห้านะตาไม่ต้องปฏิบัติแล้วต้องเห็นอยู่แล้วแต่อินรีที่การปฏิบัติเมื่อคืนนี้พูดถึงอินรีห้าคือสัตธินซีเป็นต้นนะศรัทธาเป็นต้นนั่นเองศรัทธาเป็นต้นนั่นแหละ ผู้ที่จะได้ตรัสรู้ธรรมก็เพราะมีศรัทธาเป็นต้นบริบูรณ์แต่ศรัทธาก็เกิดจากปัจจัยศรัทธาก็มีอาหารสติก็มีอาหารมีปัจจัยปัญญาก็มีอาหารมีปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่สามารถหาปัใจจัยให้อินทรีย์ทั้งห้าประชุมพร้อมบริบูรณ์ผู้นั้นก็สามารถตรัสรู้ธรรมได้ถ้าไม่สามาร ถ, ถาทาอินทรีย์ให้บริบูรณ์ก็นะก็ไม่เป็นไร ก็จะสมควรแล้วล่ะกรรมก็จะยุติธรรมอีกไม่ต้องห่วงแต่ทีนี้ไอ้ไอที่ไม่อยากได้มาให้เลมันยุติธรรมแบบนี้ไม่ค่อยชอบนะอีกเรื่องหนึ่งนะอ า, อาชาคา ร, ระเปรตนี่ก็ผลของโทสะอีกเหมือนกันสมัยหนึ่งเนี่ยนะที่พระมหาโมคคลานะเนี่ยท่านไปเห็นเปรตถูกไฟไหม้ ความพิสดารมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระมหาโมคขลานะเถระเนี่ยนะกับพระลักษณะเทระลงจากภูเขาพิจกุตได้เห็นสัตว์เชื่อว่าอาชาคาระเปรตประมาณยี่สิบห้ายอดด้วยทิพจักขุตัวขนาดไหนเนาะยี่สิบหยอคูณด้วยสิหกิโลเมตรเข้าไปตัวใหญ่มากนี่นะเปลวไฟตั้งแต่ศีรษะของเปรตนั้นลามถึงหางตั้งแต่หางลามถึงศีรษะตั้งแต่ข้างทั้งสองไปรวมอยู่ที่กลางตัว พูดเหมือนปฏิจจสมุบาทเปรียบเลยนะปฏิจจสมุบาทก็คือจากหัวไปท้ายจากท้ายไปหัวจากกลางไปท้ายจากกลางไปหัวหรือจากหัวไปกลางจากหางแบากลางยเงี้ยปฏิจจาก็จะบางทีก็จะเป็นลักษณะนะอันนี้แต่ไม่ใช่ปฏิจจนะไฟทั้งนั้นเลยนะร้อนๆเนี่ยนะเหมือนกับเราเห็นคาราทราดับน้ำมันมันลุกมันจะวิ่งแบบนั้นวายลุกตลอดเลยนะพระเทพราตนเห็นเปรตนั้นแล้วยิ้ม อนนานธรร akah ะเทระถามถึงเหตุแห่งการยิ้มแล้วก็ตอบว่าผู้มีอายุการนี้ไม่ใช่การพยากรณ์ปัญหานี้คือคือตอบช่วงนี้ไม่ได้ว่างั้นเถอะคือไม่ใช่เวลาท่านค่อยถามผมในสำนักของพระศาสดาเถิดเที่ยวบินทบัตในกรุงราชครึกในการไปยังสำนักของพระศาสด า, าธรรักษณะเทระถามแล้วจึงตอบว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งที่นั้นอัตภาพของมันชื่อว่ามีรูปอย่างนี้ ก็คือมีตัวยาวมากไฟลุกตั้งแต่หัวจดหางหางขึ้นหัวนะจากกลางแต่จากหัวจากไปถึงกลางเนี่ยผมคั้นเห็นมันแล้วก็ได้ทําการยิ้มให้ปรากฏก็ด้วยความคิดว่าอัตภาพเห็นปานนี้เราไม่เคยเห็นเลยโอ้อยางนี้ก็มีอีกก็ยิ้มคือที่ยิ้มนี่ไม่ได้ยิ้มถักทางนะแต่ยิ้มว่าโอหอัตภาพแห่งปา น, นี้เนี่ยนะท่านพ้นแล้วท่านไม่ต้องมาเป็นแบบนี้อีกแล้วนะท่านสอมนับส่วนหนึ่ง เพราะไม่ต้องไปเป็นในลักษณะนั้นภะษาสดาเมื่อตรัสคำเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักสุหนอะทรงรับรองถ้อยคำของพระเถระแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นแม้เราก็ได้เห็นแล้วที่โพธิมันทสถานเหมือนกันตอนที่พระผู้มีพระภาคนั้นประทับนั่งบนอัป ร, ราชิกบัลลังนะบัลลังที่ไม่พ่ายแพ้วพางั้นะ ในปฐมมยามแห่งราตรีชําระปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ใช้เวลาระลึกชาติอย่างเดียวเนี่ยสี่ชั่วโมงแล้วก็ราตรีที่สองก็จุตูปปาตยานพิจารณาถึงสัจจุติและปฏิสนธิว่าทำกรรมอะไรไปปฏิสนธิที่ไหนอย่างไรพระ อ, องค์ใช้เวลาพิจารณาอยู่อย่างนี้สี่ชั่วโมงด้วยกันจากสี่ทมถึงตีสอง นะพอถึงตีสองไปจนถึงสว่างก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอรุณขึ้นก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอดีแต่ตรงนี้ก็คือยกข้อความว่าตอนที่พระองค์ในช่วงมัชชิมยามแห่งราตรีเนี่ยนะช่วงสีทุม่มถึงตีส อ, องเนี่ยพระองค์ก็เห็นอยู่นะแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรวจโลกอีกพระองค์ก็เห็นอีกนะั่นแหละองค์ก็ตรวจโลกใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะแสดงธรรมสักอย่างหนึ่งนะ ตอนที่พระองค์จะรับปากมหาพรหมเนี่ยที่จะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ตรวจโลกทั้งหมดเลยว่ามีสัตว์ทั้งหมดเท่าไหร่ที่จะบรรลุเนี่ยมีเท่าไหร่ที่บรรลุนี่มีกี่จริตแต่ละจริตเนี่ยมีเท่าไหร่นะจะแบ่งยังไงเนี่ยพระองค์เช็คเบ็ดเสร็จหมดนะจึงรับปากของเ้ามหาพรหมว่าจะเผยแพร่พระธรรมแต่พระองค์ก็เห็นแต่พระองค์ไม่พูดเพราะคิดเห็นว่าก็แลชนเหล่าใดไม่พึงเชื่อธคมของเรา ความไม่เชื่อของคนเหล่านั้นพึงเป็นไปเพื่อหาประโยชน์เพื่อคูณไม่ได้คนนี้ถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อแค่ในใจอย่างเดียวหรือเปล่าไม่นะไม่เชื่อแล้วก็เที่ยวพูดด้วยนะอ่าไอ้ไม่เชื่อก็เป็นอกุสลขนาดหนึ่งแล้วะพูดบ่อยขนาดไหนก็เป็นเป็นบาปมากขนาดนั้นถ้าไปคัดค้านคําสอนของพระอรหันต์ด้วยแล้วมีโทษคือคนตาบอดบอกอเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสีอย่างนี้ไหมคนตาบอดพูดถูกไหมใช่ไหม คนที่มองไม่เห็นไอ้พอบภูมิต่างๆก็เหมือนกันก็คือบอดชี้ทางดีๆนี่เองน ะ, นะไม่ใช่ไม่ใช่ถามมารู้ได้ยังไงเอาบอดคิดเอาแบบนั้ น, นบัดนี้เราได้โมกคาณะเป็นพยานแล้วจึงพูดอันที่สุดทั้งหลายทูลถามบุรพกรรมของเปรตนั้นบุรพาเนี่ก็คือแปลว่าก่อนนั่นเองกรรมกรรมก่อนของเปรตนั้นแล้วจึงพยากรณ์ดังต่อไปนี้ว่า ได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสะเศรษฐีชื่อว่าสุโมงคลเศรษฐีชื่อว่าสุมงคลนี่ก็เหมือนกับอนาถาบินทิกาเศรษฐีนี่แหละปูพื้นที่ด้วยอิฐทองคําสร้างวิหารในที่ประมาณ20อุสภะด้วยทซั์ประมาณเท่านั้นแล้วก็ให้ทําการฉลองด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นเหมือนกันวันหนึ่งเศรษฐีไปสู่สํานักของพระศาสดาแต่เชา้าตรูเห็นโจรคนหนึ่งเนี่ยนอนเอาผ้ากาสาวะคลุมร่างตลอด ถึงสีสษนะเอาผ้าเนี่ยนะมาเปือ้อนมาห่มตัวมีเท้าเปื้อนโคลนอยู่ในศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูพระนครจึงกล่าวว่านะเศรษฐีเนี่ยเรียกว่าเป็นคนผ่านโลกมาเยอะนะมองเห็นเนี่ยมองออกเลยว่าเจ้าคนนี้มีเท้าเปื้อนโคลนคงจกเป็นมนุษย์ที่เที่ยวเตรในเวลากลางคืนแล้วมานอนนะคนนี้ทุ่งสายหากินกลางคืนทเที่ยวกลางคืนเนานะจึงมานอนอยู่ตรงนี้ โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้วก็คิดว่าเอาเถอพูดจนไมหมรู้ตก็เปิดหน้าเห็นหน้าเศรษฐีแล้วก็คิดว่าเอาเถอหนะ้าเราจักรู้กรรมที่ควรทำแกมันผูกพยาบาทขึ้นทันทีเลยนะดังนี้แล้วก็ผูกอาฆาตไว้ได้เผานาของเศรษฐีเนี่ยจ็ดครั้งคำเดียวท่านั้นเองนาะพูดหน่อยเดียวเนี่ยคนที่พยาบาทเนี่ยพยาบาทจริงๆเลย ตัดเท้าโคทั้งหลายในคอกอีกเจครั้งเผาเรือนเนี่ยเจ็ครั้งเขาก็ไม่อาจให้ความแค้นเครื่องดับได้นะทำลายเขาไปขนาดนั้นนะยังดับไฟคือโทรศัไม่ได้เลยนะทำกรรมด้วยทารุณกรรมแม้มีประมาณเท่านั้นจึงทําการสนิทชิดเชื่อกับคนใช้ของเศรษฐีนั้นอีกวางแผนใกล้ตัวเศรษฐีนะก็ไปถามคนสนิทว่าอะไรที่เป็นที่รักของเศรษฐีของนายท่าน เจ้านายท่านโปรดทานอะไรมากที่สุดได้ฟังนะคนใกล้ชิดก็บอกว่าวัตถุเป็นที่รักยิ่งของเศรษฐีอื่นจากพระคันตะกุติย่อมไม่มีเศรษฐีเนี่ยโห้รัก ก, กุติที่สร้างให้พระพุทธเจ้ามากก็เลยคิดว่าเอาละเราจะเผาพระคันตกุติแล้วยังความแค้นเคืองนี้ให้ดับนะถ้ากุติไม่ถูกเผาเนี่ยใจเราคงไม่ดับความร้อนจากเกิดจากโทสะนี้แน่เมื่อพระาศาสดาคือพระพุทธเจ้าเนี่นะ เสด็จเข้าไปบินทบบาทคนจะเผาบ้านทำไงก่อนทีแรกก็วางแผนทุบหม้อน้ำสำหรับดื่มรับใช้ไปเที่ยวทุบอ่างน้าให้หมดก่อนแล้วก็ได้จุดไฟที่พระคันตกูตีเศษฐีได้ทราบข่าวพระคันธกูตีถูกไฟไหม้เดินมาอยู่ในเวลาพระคันตกูตีถูกไฟไหม้แล้วมาถึงเหลือแต่ดำๆเลยเนาะมาแลดูพระคันตกุตีที่ไฟไหม้ ถ้าเป็นของเรานี่เห็นแล้วคิดยังไงรักษาใจได้ไหมบุญอยู่ที่กุฏิหรืออยู่ที่ใจภาษาทุกแสดงว่ารักษาใจได้อย่างงั้นกุฏิเป็นอัพยากตะธรรมเนาะเป็นอารัมมณะปัจจัยของบุญได้แต่ถ้าไปสีหะอะไรก็เป็นอารัมมณะปัจจัยของโทสะอีกเศรษฐีก็มิได้ทำความเสียใจแม้สัก์เท่าปลายขนทราย เราสำรวจแล้ก็คือปลายเข็มยังไม่ได้รู้สึกเครืองเลยอ่ะคู่แขนข้างซ้ายเข้ามาปรบด้วยมือข้างขวาขนาดใหญ่เลยตบมืออยังดังนึ่นมาขณะนั้นประชาชนยืนอยู่ที่ใกล้ถามท่านเศรษฐีว่านายขอรับพ่อเฮายท่านจึงปรบมือในเวลาที่พระคันตกุตีซึ่งท่านส ล, สละทรัพย์ประมาณเท่านี้สร้างไว้ถูกไฟไหม้เล่าเหมอนกันโอลงทุนมากมายมหาศาลถูกไฟไหม้ตบมือดีใจใหญ่เลยเป็นยังไงเศรษฐีบอกว่าพ่อแม่ทั้งหลาย ข้าพเจ้าทํากรรมประมาณเท่านี้ชื่อว่าได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระศาสนาที่ไม่สาธารณะแก่อันตรายมีไฟเป็นต้นใช่ไหมบุญที่ข้าพเจ้าทําไปแล้วไฟไม่ไหม้หรอกไม่ไหม้กุฏิไม่ได้ไหม้บุญนะเขาเข้าใจพูดนะเขาฉลัดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีใจยินดีปรบมือด้วยคิดว่าเราจะได้สลักซัพย์ประมาณเท่านี้สร้างพระคันโตกุฏิถวายพระศาสดามแม่อีกแล้วไงไอ้บุญนั้นก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวได้ทำใหม่อีกรอบหนึ่ง ท่านเศรษฐีสละทรัพย์ประมาณเท่านั้นสร้างพระคันโตกุตีอีกได้ถวายแด่พระศาสดาซึ่งมีภิกษุสองหมื่นรูปเป็นบริวารนะ โ, โหเศรษฐีนี่ได้บุญไปเพียบเลยนะโจร น, นี่ก็เออหูเออตาลา ย, ลยนะคดก็ขนบาปไปเกิดเป็นญาติกันแล้วซวยจริงๆเลยเนาะมีบาปอย่างนี้ไม่น่าสะสมไม่น่าเจริญไม่น่าพอกพูนเลยใครมีญาติไปทากรรมชนิดนี้นะน่าสงสารจริงๆเลย โยนเห็นกิริยา น, นั้นแล้วก็คิดว่าเราไม่ฆ่าเศรษฐีนี้เสียจักไม่อาจทำให้เก้อเขินได้แก เ, เรียกว่าไม่สมอยากแน่นอนางานนี้ทำไม่ได้ฆ่าเศรษฐีนะแกเรียกว่าสร้างสิ่งอันเป็นที่รักให้ทำลายสิ่งอันเป็นที่รักของเศรษฐีเศรษฐีก็ยังไม่ไม่เสียใจยอีกไ ม, ไ, มไม่ต้องฆ่า <c ười> คิดอย่างนี้แล้วก็ซ่อนกริดไว้ในผ้านุ่งนะเหน็บมีดสั้นไปเลยกริดก็คือไอ้เหล็กงอๆนะ มีดแหลมๆงอๆงอๆเรกกริดเดินเต่อยู่ในวิหารสิ้นเจ็วันก็หาโอกาสไม่ได้เหรอาหาช่องจะฆ่าเศธียังไม่ได้จังหวะสัาากทีฝ่ายมหาเศธีถวายทานแด่พิสุสวงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกสิ้นเจ็วันถวายบังคมของภาษาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญบุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระ อ, องค์เจ็ครั้งตัดเท้าโคนในคอกเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ครั้งบัดนี้แม้พระคันธกุตีก็จักเป็นเจ้าคนนั้นแหละเผา ข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาอ้แบ่งบุญให้เขานะยกขบุนให้เขาเลยกล้าคิดอย่างนี้ว่าเนาะ <S <S เขายังไม่ได้ทําขนาดนี้แล้วก็ยังแตงเห็ดแตงเหดเนี่ยโจรพอได้ยินคํานั้นก็ระทมทุกข์ขึ้นว่านะใจคนเนี่ยนะไม่หนักหนาจริงๆก็ทุกข์เหมือนกันนะเขาดีกับเราจริงๆก็เลยคิดว่าโอเราทํากรรมหนักหนอ เมื่อเป็นอย่างนั้นบุรุษนี้ก็ไม่ได้มีศักว่าความแค้นเคืองในเราผู้ทำผิดยังกลับให้ส่วนบุญในทางนี้แก่เราเสียด้วยเราคิดประทุษร้ายบุรุษนี้ไม่สมควรเลยแม้เทวทันพึงตกลงบนกระหม่อมของเราผู้ให้บุรุษผู้เห็นปานี้ใหออ้อดโทษให้บอกว่าเทวดาคงฆ่าเราแน่งานนี้ถ้าเราไม่ให้เา ไ, ไม่ขอโทษเขาหัวงนะคิดอย่างนี้แล้วก็มอบลงที่ใกล้เท้าของเศรษฐีกล่าวว่านายครับ ขอท่านจงกรุณาอดโทษแก่ผมเถิดเมื่อเศรษฐีก็กล่าวว่านี่อะไรกันก็เลยเรียนว่านายครับผมได้ทำกรรมประมาณเท่านี้เท่านี้ขอท่านจงอดโทษนั้นให้แก่ผมเถิดทีนั้นเศรษฐีก็ถามกรรมทุกๆอย่างกับเขามาไปทำอะไรมาบ้างละ่ะฟังงั้นเถิดบอกเออเจ้าทำกรรมนี้ด้วยนี้ด้วยประมาณเท่านี้แกเราหรือเขาก็รับสารภาพว่าครบับผมทาก็เลยถามต่อไปว่า เราไม่เคยเห็นเจ้าเลยเหตุไรเจ้าจึงกโกรธจึงได้ทำแกเราไปนะทำอะไรมานะจึงทำกันได้ขนาดนี้เลยเข<ต><ว>าก็เตือนให้เศรษฐีระลึกถึงคำที่ตนผู้ออกจากพระนครในวันหนึ่งแล้วพูดได้ว่าผมเกิดความแค้นเคืองขึ้นเพราะเหตุนี้นะคำของท่านนั่นแหละทำให้ผมเจ็บอยู่ทุกวันเนี่ยนะเจ็บใจนะ เศรษฐีแล้วลึกถึงภาวะแห่งถ้อยคําที่ตนพูดแล้วเนะนึ้ถึงคําพูดอันนั้นนะให้โจรอดโทษให้นะเศรษฐีก็รู้ว่าผิดเออเราก็ไม่น่าพูดคํานั้นนะด้วยคําว่าเอาเถอะพ่อเราพูดจริงเจ้าจงอดโทษข้อ น, นั้นให้แก่เราเถอะนะขอโทษนะงนั้นนะเศรษฐีกล้าขอโทษไหมของเรายอมหรือเปล่าแล้วก็กล่าวว่าลุกขึ้นเถิดเราอดโทษให้แก่เจ้าแล้วเจ้าจงไปเถิดนะขอโทษด้วยนะ ที่เราได้พูดคำนั้นไปออแล้วก็ที่ท่านทำมาก็ให้อภัยแก่ท่านนะโจรบอกว่านายครับถ้าท่านอดโทษแก่ผมไซขอท่านออขอท่านจงทำผมพร้อมทั้งบุตรภรรยาให้เป็นทาสผู้รับใช้ในเรือนของท่านเถอนะที่เรียกว่ายอมเป็นทาสเลยนะคล้ายกับว่าจะได้ล้างบาปะนะความคิดของเขาอะนะเศรษฐีก็บอกแน่พ่อเมื่อเรากล่าวคามีประมาณเท่านี้ เจ้าก็ได้ทําการตัดเห็นปานี้เราไม่อาจจะกล่าวอะไรอะไรกะเจ้าผู้อยู่ในเรือนได้เลยเราไม่มีกิจด้วยเจ้าผู้จะอยู่ในเรือนเราอดโทษให้แก่เจ้าไปเถอะพ่อไปนะไม่เป็นไรหรอกแต่ ว, ว่าไปอยู่ด้วยกันนี่จะกล้าพูดอะไรสักคาหรือเปล่าเนี่ยพูดคํากันานาดนั้นยังแจกกันาดนนี้เลยโจนั้นขั้ทนทํากรรมแล้วในการสิ้นอายุเกิดในที่ไหน อเวจีไม่อยู่ในอเวจีสิ้นการละนานนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์นั้นพอมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้ใช่ไหมบัดนี้เกิดเป็นอาชาคราประเสรดถูกไฟไหม้ที่ภูเขาคิจกูด้วยวิบากแห่งกรรมที่เหลืออันนี้เสร็จๆนะแต่ที่หนักๆจริงๆก็ไหม้อยู่ในในรกเนี่ยนะไม่รู้กี่พันล้านปีลภาษาสดาขั้นตัดบุรพกรรมของเปรตนั้นอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่าทิกษ์ูตทั้งหลาย ธรรมดาคนผ่านทํากรรมอันลามกอยู่ย่อมไม่รู้นะขณะที่โทสะเกิดขึ้นภาลธรรมเกิดขึ้นในจิตพาละพาลธรรมมานี่คืออะไรองค์ธรรมได้แกอะไรอกุศลจิตทั้งสิบสองนะเป็นพาลธรรมนะแต่นี้เน้นที่โทสะว่าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยพาระแปลว่าเขา่าหรือแปลว่างูนะไออกุศลธรรมอันงู้นี่นะที่มันเกิดขึ้นในจิตอย่างนี้แล้วเนี่ย ทำกรรมที่ลามกคำว่าลามกก็คือทำกรรมที่เป็นบาปนั่นเองนะทั้งทางกายทางวาจาและทางใจยอยู่เนี่ยก็ไม่รู้สึกไม่รู้ตัวเลยนะว่าขณะทำเนี่ยเป็นอะไรแต่ภายหลังเร่าร้อนอยู่เพราะกรรมอันตนทำแล้วย่อมเป็นเช่นกับไฟไม่ป่าด้วยตนของตนเองดังนี้แล้วพระองค์ก็จะทรงสืบอนุสนิทแสดงธรรมตรัสว่าอธปา ป, า, ปานิกรรมานิกรังพาโลนะพุชติ เสหิกัมเมหิทุมเมโทอักขิทัตโทวตปติอันคนพานทากรรมทั้งหลายอันลามกอยู่นะทำกรรมอันเป็นบาปนะคำว่าบาปส่วนใหญ่แปลว่าลามกนะแปลว่าไม่ดีขณะที่ทากรรมอยู่ก็ไม่รู้สึกคนมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนดุดไฟไหมเพราะกรรมของตนนั่นเองใช่ไเปรตนี้ก็ไปทากรรมแล้วก็ถูกไฟไหมจริงๆนั่นแหละ แต่ว่าขณะที่ทำก็จะร้อนด้วยแล้วผลของการกระทำอันนั้นก็ร้อนด้วยบทว่าอถฏปา ป, า, ปานิความว่าคนพาลหาใช่ทำบาปทั้งหลายด้วยสามารถแห่งความความโกรธอย่างเดียวไม่แม้ทำอยู่ก็ไม่รู้สึกแต่เมื่อทำบาปอยู่จะชื่อว่าไม่รู้ว่าเราทำบาปย่อมไม่มีก็คือแต่ก็พอรู้นะแต่ไม่รู้ถึงทุกโทษต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะทำ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าย่อมไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าผลของกรรมนี้มีชื่อประมาณเท่านี้รู้นะว่าตัวเองกําลังทําอะไรโดยการกระทําแต่ไม่รู้ว่าผลของการกระทำจะเป็นผลอย่างไรบ้างอันนี้เขาไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นทุมเมโทเนี่นะคนผู้มีปัญญาสามเกิดในนรกย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหมนะแต่คือเพียงให้อุปมาให้พวกเราเห็นว่าเออขนาดถูกไฟไหมเนี่ยนะ เจ็บร้อนแบบนั้นสัตว์ที่อยู่ที่นั่นก็เจ็บร้อนขนาดนั้นแหละคนที่ทำกรรมเนี่ยนะทำกรรมแล้วทำกับผู้ที่ไม่ประทุสร้ายเนี่ยมีมากอย่างเช่นเหมือนกับพระโมคคลานะนะซึ่งมีโอกาสวันหลังๆก็จะได้เอามากล่าวต่อไปวันนี้ก็ตรงเวล า, านั้วนะ